ธรรมชาดกแผ่นที่สองลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่24กรกฎาคม2552มีชื่อเรื่องว่าลูกผู้ประเสริฐวันที่12สิงหาวันเกิดของหลวงตาเนี่ย ใครใครก็อยากจะมาทำบุญใครใครก็อยากจะมาเคารพคารวะหลวงตาใครใครได้เห็นก็เป็นบุญตาเป็นขวัญตาขวัญใจของผู้ได้พบเห็นสมนานันจะทัศนังเอตัมมังคารมุตตัมมังได้เห็นสมณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้สงบผู้ระงับอันนี้เป็นมงคลอันสูงสุดหลักของพระธศาสนา สรุปแล้วก็คือเห็นคนดีบุคคลใดก็ดีถ้าเห็นแล้วเป็นคนช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองเห็นแล้วให้คุณภาพให้คุณธรรมแนะนำศีลธรรมจริยธรรมแก่คู่คนทั้งหลายเมื่อคู่ขนทั้งหลายนำไปประพฤติปฏิบัติก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริเป็นมงคลสำหรับผู้ได้เห็นได้ยินนี่แหละ อันนี้ว่าสมนานันจัทัศนังวันนั้นใครๆก็อยากจะเข้าไปกราบไปไหว้ครูบาอาจารย์ะไม่ว่าท่านว่าเรานะอแต่หากว่าถ้าเขาว่าแหนักโทษไปฆ่าเนี่ยก็อยากจะไปดูยุบมันเป็นยังไงท่านเองพอกลับมาแล้วก็สลดหดหูอีกไม่ใช่ปลื้มปีติว่างั้นเถอแต่ไปเห็นไปยินแล้วก็อยากจะเห็นอยากจะได้ยินไทยมุงว่างั้นแต่มุงมาแล้วก็ จิตใจห่อเหี่ยวจิตใจสลดหดทุกอ่ะอันนั้นไปไหวเห็นสิ่งที่ไม่ดีหเห็นสิ่งที่เป็นอั ป, ปมงคลแต่เห็นสิ่งที่เป็นมงคลเกเห็นแล้วก็มาแล้วก็นึกปลื้มปีติในจิตในใจนานเท่านานพอได้เห็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้ก็คือมนุษย์ที่เราเกิดมาเราจะเลือก แต่ดีอย่างเดียวก็ยากมันก็ต้องประสบพบเห็นคราบกันแต่สรุปแล้วก็คือให้เลือกให้เลือกสรรค์แต่อาหารในสําหรับกับข้าวของเราที่ใส่อยู่ในบาตเนี่ยไม่เชื่อวันอยู่ในบาตรแล้วจะฉันทั้งหมดมีอะไรมันอยู่ในบาตแล้วไหนฉันทั้งหมดก็ไม่ใช่บางทีมีก้างมีกระดูกสิ่งที่ไม่ควรฉันก็มีแล้วก็ต้องเลือกออกอันนี้ก็เหมือนกัน เราเกิดมาในโลกเนี่ยมันมีมากมายหลายอย่างเหลือเกินมันคละเคล้ากันอยู่เราต้องเลือกอต้องเลือกครบกัญญาณมิตรในสารพัเป็นมนุษย์ก่อ้กัญยาณมิตรครบเพื่อนที่ดีงามไอ้คำว่าเลือกครบเว้นเสียแต่เราเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้คืออะไรถ้าเราเกิดมากับพ่อกับแม่ของเรา แต่พ่อแม่ของเราเป็นขโมยโพยโจรอย่างนี้บางทีลูกเห็นว่าพ่อแม่เนี่ยทาไม่ถูกนะแต่ไม่รู้จะทํอยังไงแหอย่างนี้ไม่รู้จะทํอยังไงอันนี้เราก็ต้องพยายามสอนออแนะนำพ่อแม่ของเราพ่อแม่คิดอย่างนั้นไม่ถูกนะถ้าลูกเป็นธรรมถ้าเป็นอภิชาตบุตรต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นคือไม่ตามทีเดียวจะไม่รู้จะทำยังไงเราเกิดมาแล้ว พ่อแม่พาทำชั่วแล้วก็ต้องทำชั่วตามฮะอันนั้นแปลว่าวัชชาตบุตรฮะหรือว่าอนุชาตบุตรบุตรเสมอพ่อเสมอแม่หรือว่าวัชชาตบุตรบุตรที่ต่ำกว่าพ่อแม่ถ้าเป็นอภิชาตบุตรแล้วบุตรที่เหนือกว่าพ่อแม่แล้วต้องแนะนําต้องบอกกล่าวว่าจางนี้ไม่ถูกนะคุณพ่อคุณแม่นะแน่อย่างนี้ในครั้งพุทธเจ้าของเราในครั้งพุทธการพระพุทธเจ้าปรั จริยะของพระองค์ให้ค่ายเขาป่ะพระองค์ถึงจะเกิดมากับพ่อแม่ก็จริงอยู่แต่บางเสียงบางอย่างพระพุทธองค์จะไม่ตามพ่อแม่พระสงฆ์ก็เลยถามว่าในชาติไหนพระเจ้าข่าที่พระพุทธองค์ไม่ตามพ่อแม่พระพุทธองค์บอกว่าสมัยชาติหนึ่งเราเกิดมาในตระกูลแต่ว่าพ่อของเราเกิดมาจากพ่อแม่ของท่านอีกคือมาจากปู่ย่าเหมนกัน พอเกิดมาแล้วพ่อกับแม่ของท่านไปทําอะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นพิษงูเห่ามาั้งพ่นใส่ตาน่ยตาเลยบอดทั้งพ่อทั้งแม่อพอตาบอดทั้งพ่อทั้งแม่ลูกชายกับพอที่จะช่วยตนเองได้ก็ประคับประคองดูแลพ่อแม่อย่างดิบตีว่ากันแต่เห็นว่าพ่อแม่ตัวเอง ต, องตาบอดก็เป็นเด็กที่คงจะเป็นเด็กที่ หัวอ่อนแล้วงั้นเถอะหัวอ่อนอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรก็ได้ลักษณะอย่างนั้นแหละตามใจคนอะไรก็ได้ลักษณะนั้นแต่นี้ก็เลี้ยงพ่อแม่ด้วยความทนุถนอมมันขยันอีกต่างหากจนเป็นที่ยอมรับในคนคนในระหว่างนั้น่ะในชุมชนนั้นแต่ต่อมาเด็กหนุ่มแล้วก็เป็นหนุ่มขึ้นมาเรื่อยๆตามทาง งานบ้าน ท, ทําทางงานนอกบ้านทําไร่ทํานาก็คืองานนอกบ้านแล้วก็งานในบ้านก็คือกลับมาแล้วก็ต้องปัดควาทําความสะอาดหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำเลี้ยงดูพ่อแม่ทําเอาหงอาหารเอออันนี้คือเป็นหน้าที่ของเด็กหนุ่มมังงั้นแตะหาได้ยากทีนี้ต่อมาก็พ่อแม่ก็เลยเออลูกเอ้ถ้าลูกทํางานทั้งในบ้านนอกบ้านก็คงจะหนักหนาเกินไปควรจะ อบครัวให้ซะเพื่อจะได้มาดูแลเลี้ยงพ่อแม่แต่ที่แรกก็ลูกชายก็ปฏิเสธมือนกั้งโอ้ยอย่าเถื่แม่พ่อท่านได้คนดีมาก็ดีไปถ้าว่าได้คนไม่ดีมาแล้วก็ทำให้ไม่สบายใจเดี๋ยวก็พ่อแม่ก็ยิ่งตาบอดใช่แล้วจะมาเป็นพิษเป็นภัยขึ้นมาผมก็อกแตกท่านนะั้นแ่ะถ้าว่าเขาได้คนไม่ดีมาเออก็คงไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อแม่จะ ไปบอกให้ญาติพี่น้องดูนิสัยใจคอของเขาเป็นคนมันขา ย, ยันแล้วก็คงจะเอามาเป็นลูกสะภ้ยก็คงจะเป็นคนดีอย่างมั่งลูกผลที่สุดลูกชายก็จำยอมฮะก็เลยพ่อแม่ก็เลยไปบอกญาติพี่น้องหาหญิงสาวมาแต่งงานกับลูกชายเอพอมาอยู่ใหม่ๆก็ดีเนี่ย เ, เพราะว่าแต่แกก็มีมรดกมีที่ไร่ที่นาพร้อมที่จะสืบทอดจากพ่อแม่ไปได้ แต่พ่อต่อมาเท่นี่ทุกวีทุกวันเนี่ยลูกสะภ้ยมันก็เบื่อพ่อผัวแม่ผัวเท่นีเ่เห็นหน้ากันมันอยากเห็นตาบอดอีกต่างหากาทําอะไรก็ไม่ได้เด็กก็จูงไปขี่เด็กก็จูงไปเยี่ยวก็ธรรมดาคนแก่บางทีก็สุ่มสุมซ้ำซ้ำอ๋อนั้นหกบ้างอันนี้หล่นบ้างก็คือคนตาบอดเนี่ยความอัดอั้นตันใจแต่ละวีแต่ละวันก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นว่ า, า, า ง, งั้นถอะจนถึงจะคาดทิ้งได้เท่นี่ เมันถึงขนาดนั่นเลยนี่ยผลี่สุดก็เลยเอาอยัางไงนอะแกยุแยงผัวละใช่ไหมให้ผัวไปฆ่าทิ้งให้ผัวไปฆ่าพ่อแม่เขาทิ้งเหือนนแล้ลูกสะใภ้ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันใครๆให้ระวังให้ดีก็แล้วกันนะวะเอออันนี้คือชาดกนะเออทีนี้ก็บอกว่าเออนี่แหละพ่อของเจ้าเนี่ย ไม่ใช่ตาบอดธรรมดาในสะุ่มสุ่มซำแซวนั้นบนหน้าบนหลังอีกต่างหากนาะยบางทีก็ทำอาหารหล่นเลี่ยราดไปหมดเนี่ยแต่ละวีแต่ละวันโอ้ฉันเนี่เบื่อเลยถ้าเป็นลักษณะนีน้คงจะอยู่กับเจ้าไม่ได้ละเออลักษณะอย่างนี้แหละคห้ายๆพูดทุกวีทุกวันทุกวีทุกวั น, ววนสะสมไม่ความอัดอั้นตันใจให้แกพ่อบ้านฟังงั้นแหะต่อมาตัวเองก็มีลูกขึ้นมาอีกคนหนึ่ง พอลูกขึ้นมาก็เลี้ยงลูกก็เริ่มจะเป็นหน่มเลยใช่ไหมเริ่มจะเป็นนมอ่เพราะที่สุดแม่เนี่ก็พูดมาก่อมากวันหนึ่งก็เทเอาหงอาหารในลาดลงไปพอผัวมาก็มาพูดให้พ่อบ้านฟังนี่นะอันนี้ฉันไม่ได้ล้างนะมันเป็นอย่างนี้แหละทุกวี่ทุกวันเจ้าดูเอาซะอันนี้ไม่ล้างแต่ทุกวันที่ล้างนะที่ไม่เห็นที่ที่ว่าเรียบร้อยนั่นนะ แต่ที่แท้คือตัวเองสัตว์ข้าวต้มอะไรให้มันเปื่อนเปิดเลอะเทอะว่างั้นนะ่ะไม่ใช่ของปู่ย่าสักหน่อยว่างั้นแต่ไปว่าคนไม่ดีนแน่ๆคนไม่ดีอย่างนี้จะไถไม่ดีว่างั้นแต่พอได้ผู้โผล่แล้จะให้ค่อยทํำยังไงอ้าวเวลานั่นก็บอกให้พ่อแม่ชวนไปป่าเสร็จแล้วก็ไปป่าช้าแล้วก็ขุดหลุมแล้วก็คอนทุบแล้วก็ฟังเลยก็กลับมาเนี่ยต่อ ไปให้ายากอะไรวางแผนให้เสร็จว่างั้นเถอะทั้งลูกชายเนี่ยครัเชื่อมีอะไรบานะ้างไอ้แล้วฟังความเมียคงหัวอ่อนอย่างที่หลวงพ่อพูดบางต้นคงจะหัวอ่อนว่างั้นตามใจเมียว่างั้นเถอะทีนี้ไอ้ลูกชายสิบสามสิบสี่ปีพอจะรู้บังไม่รู้บังแต่กับพ่อแม่พูดกับคงจะไม่ปิดบังลูกชายเท่าไหร่ลูกชายก็ฟังเอพ่อแม่ไม่เป็นธรรมแล้ว oh. ในใจว่างั้นเถอะนี่แหละ อภิชาตบุตรจะต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นพ่อกับแม่ไม่เป็นธรรมแล้วข้าวนี่วงากนคงจะฆ่าปู่ล้วฆ่าปูกับฆ่าญ้าละข้าวเนียวงากนแล้วเราจะช่วยยังไงนะในคิดแล้วเด็กว่ากันะแต่วันนั้นพ่อเขาพูดเสร็จแล้วก็อพ่อแม่วางแผนเด็กคนนั้นก็ได้ยินบ้างได้ยินบ้างแต่ในต่อมาพ่อเอาจริงๆทีนี้เอเทียมเกวียนเสร็จแล้วปั๊บที่น้องเขาจะจะเยี่ยมนะ อยากจะพบกับคุณพ่อคุณแม่ออผมจะพาไปพ่อแม่จะไปไหมไปซิลูกันดีอกดีใจอีกต่างหากเพราะงั้นแตะเพื่อจะได้ไปเยี่ยมพี่น้องบ้านไกลปุณณสุก็เอาพ่อแม่ขึ้นเกวียนบอกขึ้นเกวียนเสร็จแล้วก็ลูกชายนึงกระโดดขึ้นไปเกวียนด้วยลูกชายตัวเล็กๆนะ่ะลูกชายพ่อบอกว่าเอ้ยไม่ต้องไปหรอกลูกไม่ครับผมจะไปด้วยเองปุณณสุกแม่ก็ไม่รู้จะทํายังไง ก็ให้ลูกชายไปด้วยพอไปเสร็จแล้วก็ขุดหลุมนะ่ะนะพอขุดหลุมเสร็จเรียบร้อยลูกชายก็พ่อจะทำอะไรเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยพูดให้ลูกฟังเนีพวกลูกชายก็บอกว่าพอ่อไ อ, จอ้จบ็ดีเสียมก็ดีที่พ่อเอามาเนี่ยเก็บไว้ให้ดีนะมันเพื่อต่อไปภายภาคหน้าทางว่า เือพ่อกับแม่ตาบอดผมจะได้เรียนแบบพ่อแม่เพราะว่าพ่อพูดทนถูกแล้วบอกว่าพ่อแม่ในยตาบอดเราเลี้ยงก็ยากทุกข์กับท่านทุกท่านทุกเราด้วยถาาว่าท่านตายเราไปฟังเนี่ยเราพวกเราก็สบายท่านก็สบายไปอีกเพราะท่านก็ทำอะไรไม่ได้ถ้ท่านตาบอดเนี่ยเพราะนั้นถ้าว่าพ่อแม่ตาบอดต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยผมก็จะได้จัดการอย่างที่คุณพ่อพาทำนี่แหละ ผมเห็นด้วยที่พ่อทําลยพอที่จินเทอแน่ะยืนอึ้งเลยว่างั้นเถอะพอลูกชายจะฝังตัวเองอีกเหมือนกันว่างั้เถอะผลที่รุ่นก็เลยไปกลับกลับกลับกลับไพอกลับทําไมคุณพ่อไม่ฝังเลยไม่เดี๋ยวกลําตามสนองมาแล้วไม่ทําล่ะไปเดี๋ยวกลําตามสนองออทีนี้ก็เลยพากลับมา พอกลับมาทีนี้แม่บ้านก็เตรียมเอาหงอาหารอย่างดีแล้วงั้นเลยเน่ยนเพื่อบอกผัวไปทํางานเสร็จเรียบร้อยมาก็จะได้กินเลี้ยงกันสนุกสนานป ร, ประสบความสําเร็จที่ตัวเองได้คิดเอาไว้อยู่งั้นแต่แ่พอกลับมาอีกมาเห็นปู่กับย่า น, นั่งในล้อในเกวียนมาอีกลูกชายโมโหโถโสมะเรงตึงนั่งเข้ามาบ้านี้ทั้งลูกชายนี่ยก็บอกว่าพ่อพ่อพอถ้าเป็นลักษณะนี้ไม่ดีเด้ ผมก็ไม่เห็นด้วยนะคุณแม่จะไปทําอย่างนี้จะไปทําได้ยังไงปู่กระยาเลี้ยงดูเรามาเพิ่งมาอยู่แล้วจะมาทําอย่างนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยกับคุณแม่เพราะฉะนั้นคุณพอ่อไล่คุณแม่ออกซะจากบ้านเอาอย่างนั้นเหรออ้าวเอาอย่างนั้นลูกชายก็เลยบอกให้พ่อไล่แม่ออกจากบ้านเางั้นกันแต่พ่อแม่นก็โมโหพอ่อไล่ออกจากบ้านแม่ก็เลยหนีออกจากบ้านจริงๆเพราะพอ่อไม่ให้อยู่ พอจากนั้นมาเอพออยู่เป็นหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เอพ่อรู้สึกว่าแม่ไปอยู่ทางไหนอย่างนั้นเลอสมมุติว่าไปอยู่ทางโน้นอยู่ทางบ้านเพิ่มะลูกชายกับแนะพ่อพ่อขี่ล้อไปหาเกวียนแล้วกัเขามาถามเจ้ามาไล่โอ้ยเดี๋ยวนี้เมียค่อยหนีไปแล้วเดี๋ยวหาเมียใหม่ใครสนใจคุณพ่อไปทางโน้นนะผลที่สุดก็เลย ปฏิบัติตามลูกชายว่ากั้นไอไปทั้งนู้นโอ้ยทีแรกก็ว่าจะไปเลยแหละแม่บ้านนะพอได้ยินคําเท่านั้นแหละออยู่ไม่เป็นสุขเลยจะเนี่ยแต่นั้นเข้ามาใกล้เลยบอกว่าขอเข้ามาอยู่อีกจะไม่ทําอย่างนั้นอีกลูกชายตัวเล็กๆก็เลยบอกคุณพ่อเอไปรับแม่มาสักไปรับแม่มาส ะ, แ, าสะแต่ต้องสอนนะคุณพ่อนะสอนว่าอย่าทําอย่างนั้นอีกนะ อไปทําอย่างนั้นได้ยังไงอมันเป็นบาปเป็นกล้ำฆ่าพอ่อฆ่าแม่มันไม่ถูกนะ่ะเอเพราะฉะนั้นอย่าทําอีกพ่อไปรับแม่มาจ้นะคือพ่อก็เชื่อคําลูกแนละ้วไปรับแม่มาจากนั้นพ่อก็เลยสอนแม่บ้านอีกอย่าทําอีกอย่าคิดอีกถ้าคิดทําอีกอย่างเก่าไม่ได้นะจากนั้นพ่อกับแม่กับลูกเลยอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุข นี่ท่านพระพุทธเจา้าท่านว่าเนี่ยในชาตินั้นเราเป็นเป็นกุ ม, มารเป็นเด็กคนนั้นแหละได้ช่วยเหลือพ่อแม่ส่วนพ่อของเราก็คือพระอา น, นุนท่านว่างันนะแต่แม่เนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าเป็นใครว่างั้นเถอะนี่แหละถึงท่านจะเกิดในตระกูลหรือจะเกิดกับพ่อแม่ที่เป็นอาธรรมแม่เป็นอาธรรมแต่ท่านก็พยายามแนะนําสั่งสอน แม่ของท่านพ่อของท่านให้อยู่ในธรรมอันนี้เรียกว่าอภิชาติตบุตรบุตรที่เหนือกว่าพ่อแม่เพราะฉะนั้นพวกเรานะนไปอยู่นัสถานที่ใดให้คิดไข้ ค, ควรทบทวน ร, รู้ให้ดีว่าสิ่งไหนควรทํำยังไงสิ่งไหนไม่ควรทํำยังไงอันไหนถูกต้องอันไหนไม่ถูกต้องอันนั้นเป็นธรรมอันไหนไม่เป็นธรรมให้พวกเราใช้สติใช้ปัญญาให้ศึกษาทั้งคดีโลกและคดีธรรม ครับพวกเราปฏิบัติอย่างนั้นได้หลวงพ่อว่าเราไปเกิดไปอยู่ณสถานที่ใดความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นกับตัวของเราเป็นอันตับแรกนะแล้วก็พร้อมกันก็ให้มีเมตตามีน้ำใจไปอยู่ณสถานที่ใดมีน้ำใจพอที่จะเฉลือเผือแผ่ได้แล้วก็เฉลือเผือแผ่คนที่มีจิตใจเฉลือเผือแผ่นะหลวงพ่อว่ามันดีทั้งนั้นนะเออ อย่างหลวงพ่อมีลำใหญ่หลวงพ่อก็แจกวัดนั่นแจกวัดนี่เออเอาไปวัดหลวงตาให้เป็นผู้มีพระคุณหลวงปูลงพ่อไปทั้งสาสิบกว่ากําลังนะ่ะมาเลินเทินทักกั้นนะจากนั้นก็แจกวัดต่างๆแจกคู่แจกคนใครใครมาเนี่แหละถ้ามีน้ําใจจากนั้นก็สิ่งไหนทีค่คนจะแจกสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ลงลำ้ำรงเรียนโรงพยาบาลถ้าเราพวกเรามีน้ําใจต่อกันเพื่อนฝูงญาติพี่น้องก็มาก เราจะไปนสถานที่ใดก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยเพราะเหตุไรเพราะเรามีน้ําใจเรามีเมตตานะเพราะฉะนั้นหลักของพระศาสนาเนี่ยสอนให้มีเมตตาให้มีน้ําใจแต่ถ้าคนใดก็ตามไม่มีน้ําใจไม่มีเมตตาไปที่ไหนมีแต่จะเอารัดเอาเปรียบมีแต่จะไปคดไปโกงไปป้นไปจี้ไปเบียดไปบังเขาไปที่ไหนมิจตัดดูดาว่าเกา่ามิจตัใช้หมัดใช้มวยใครๆจะมาใกล้เราได้ใครใคก็กลัวทั้งนั้นแหละ แต่ถ้าเราไปณนะสถานที่ใดมีแต่เมตตาเอื้ออารีต่อกันละความสงบป่มเย็นผาสุกก็จะเกิดขึ้นในกลุ่มของเราครอบครัวของเราวงศาคณาญาติของเรานะแต่ถึงยังไงหลวงพ่อ ก, ก็ย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกว่าให้พวกเราทำดีไว้เถอะนะเพราะชีวิตของพวกเราไม่ถึงร้อยปีหรอกต่างคนก็ต่างมาเกิดต่างคนก็ต่างตายไปเพราะนั้นควรจะเอาเหลี่ยม หรือมุมหรือว่าความดีนั่นแหละเข้าหากันเอออย่าเอาเหลี่ยมหรือเอามุมเอาเรื่องความชั่วช้าลามกเข้ามาหากันเอาเหลี่ยมที่มันดีเออคิดดีพูดดีทดําดีเออเข้าหากันคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีต่างคนก็ต่างดีมีแต่ความเกื้อกูลหนุนกันความสงบร้มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในกลุ่มของพวกเราแต่ถ้าว่าพวกเรา หันแต่หันข้างใส่กันเหลือบก็ไม่เต็มตาเนี่ยเหลือบๆเบนะี่ยดูถูกเหย็ดหย่ำมองกันในแง่ร้ายไม่มองกันในแง่เหตุแง่ผลมีแต่มานะ์คือความแข็งกระด้างเข้าหากันอย่าหวังเลยชนชุมชนในกลุ่มนั้นจะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเเต็มไปหมดนะเพราะฉะนั้นให้พวกเราสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ พ่อย้ำแล้วย้ำอีกเกือบทุกวันนะวะ่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะบาปบุญคุณโทมนะรรษมีจริงนะนะรกสวรรค์มีจริงนะอหมอย่างที่พ่อกับลูกดิเห็นไหมทําไมคุณพ่อไม่ฝังคุณปูล่ล่ะคุณย่าละ่ะไม่ได้แล้วเดี๋ยวกำตามสนองฮ่ะกำมุนีนาวัตตีโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรำที่ตนได้กระทาไว้ฮะในเมื่อเราเองฝังพ่อฝังแมนะ่ลูกชายตัวเล็กมันจะฝังพ่อฝังแม่อีกฮนะแหม ใครจะรู้ได้ในอนาคตน่ะเพราะฉะนั้นอะย่าทําเสเลยดีกว่าเพราะกลัมชั่วนั้นย่อมเผาผลาญเมื่อภายหลังเพราะนั้นพวกเราหลักของพุทธศาสนาท่านสอนไว้อย่างนั้นใครทํากลัมอันไหนไว้จะต้องได้รับผลของกลัมนั้นนะเพราะฉะนั้นพวกเราให้สังสมสร้างแต่คุณงามความดีสร้างแต่บุญแต่กุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจแล้วการเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นไปด้วยดีด้วยบุญกุศลนะ วันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดอีกแนวความคิดหนึ่งสำหรับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาต่อนนี้ไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พร